จิตคนเราก็เหมือนกับต้นไม้ถ่ารดน้ําให้ปุ๋ยอยู่เรื่อยๆบำรุงอยู่โดยสม่ําเส ม, มอก็อมีความสดชื่นดีและเติบโตขึมม้นได้เร็วกว่าปกติธรรมดาที่ที่ง่าตกระต่ายโดยไม่บำรุงรักษาจิตใจเมื่อบำรุงรักษาอยู่โ ด, ย, ด, ดยสม่ำเส ม, มอก็ ม, ม, ม, ม, ออมีความ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 แต่ความเชื่อถือคีอความหลงตามไะนั้นมันเป็นความเป็นตัวจริงอะไรเงียมันจริงเป็นผลขึ้นมาให้เรารับความเดือดร้อนเวลานี้ครูวา่าจารย์ทั้งหลายที่ขอรพบูชาเป็นที่ขอรพบูชาและเป็นหลักทางด้านปฏิบัติและทางจิตใจก่อนนับว่าค่อยหล่อลองไปโดยลหลัพย์อีทยังมีชีวิตอยู่แม้แต่ท่านเองก็ไม่สามารถจะเลื่อท่อานเองได้เกีย่ยวกับเรื่องฐานดวงขั้น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 แล้วก็มารวมอยู่ที่จุดเป็นที่รับเคราะกรรมทั้งหลายที่จะสังขาร <_ V> จะสัญญาที่ปุ่งขึ้นมาใจจึงเป็นภาชนะอันสําคัญที่หรับรับรองทั้งสุขและทุกข์ส่วนมากขอรับทุกข์าสติปัญญา น, า น, นั้นมีขรับตั้งแต่ของเตจ๊ของทิ้งของใช้ในไล่ของเป็นพืชเป็นภายนั่นแลหละไหวภายในจิตใจถ้านี้สติปัญญ า, นานก็เลือกเต้นออก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 มันคือความพอใจมันไหลไปเลยเหมือนกำน้ามันไหลลงทางต่างยากหรือ่ยากมันก็ไหลมันไปอย่ันเลยไม่ข้ามันยากหรือไม่ยากแต่เวลาจะฝื้นจิตฝืนใจนั้นมันก็เหมือนกับเราสายของเชนไม้อะไรให้ขึ้นที่สูงหรือบังคับน้ำให้มันไหลขึ้นสู่ที่สูงมันลําบากเพราะทวนกระแสการที่จะละ